ทำากันเลยแต่ั้งใจฟังฟังแล้วก็นำไปปฏิบัติอย่าฟังหูออกหูฟังสักว่บาฟังเฉยๆฟังแล้วนำไปปฏิบัติจริงใดดีจริงใดไม่ดีนำไปละอย่าทำอีก สิ่งดีสิงไม่ดีเกิดขึ้นที่กายที่ใจเรานี่แล้วก็เห็นอยู่ไม่มีใครไม่เห็นหลอกตัวเองหลอกไม่ได้หลอกคนอื่นอาจจะหลอกได้แต่มาสามเดือนที่ผ่านมาวันนี้สามเดือนก็ดีตั้งแต่เราเข้าพรรษาอธิษฐานจะทำความดีอะไรที่มันดี ติดตามความดีที่ตั้งใจไว้หรือไม่อาธิษฐามเรื่องใดจะเลิกสูบุรีเลิกได้ไหมจะเลิกกินเล้าเลิกได้ไหมจะเลิกความโกรธไม่ดุไม่ด่าทาได้จากวันนั้นมันก็เป็นวันนี้ถ้าเราเลิกได้วันนี้ก็ได้มีอา น, นิสงส์ที่เราทําความดีได้อาศัยความดีที่มีอยู่ในการในใจเรา อะไรที่เราทําไปก็ต้องมีความชํานิชำนานญมีมรรคมีผลเกิดขึ้นชํนานาญเรื่องนั่นเกิดขึ้นละความชั่วทําความดีก็ชํนานาญในการละความชั่วชํนานาญในการทําความดีมากขึ้นง่ายขึ้นสะดวกขึ้นศาสตร์เป็นศิลมากขึ้น เก้านาทำนาก็มีความชํานาญปลูกผักปลูกข้าวเห็นต้นก็ก็รู้จักต้นใดควรเป็นพ่อพันแม่พันปลูกข้าวโพ่ต้นใดพอเป็นพ่อพันแม่พันปลอกแฝงแต่างกว่าต้นไหนพอจะเป็นพ่อพันแม่พันก็เลือกได้เลือกได้ สิ่งที่เกิดขึ้นกับกว่ากับใจของเราก็เลือกได้เลือกเอาสิ่งที่ถูกต้องสิ่งใดไม่ถูกต้องอทิ้งไปลราปลุปกตังลงใส่ลุ้ ง, งองเม็ดสับเม็ด ส, ส, สีเม็ดบางเม็ดไปได้ไวเปิดก่อนงูเสียงแดงไปรุนรุนรุนมุ่นป่ามุ่นดวงไป ไปไกลขูเพื่อนทิ้งเพื่อนบางต้นบางเม็ดยังไม่ล้มพุ่มจะไปไม่ถึกไหนยังยืนที่รีกินติ้งอยู่ที่เก่านั้นก็ถอนทิ้งอย่าเอามันโยเข้าโพดสีล้มสีเมด5เม็ดต้นไหนที่ผมเกิดก อ, องโมโจดขึ้นโจดขึ้นเจดขึ้นนั่นแหละเอาไว้ ต้นไหนที่ไม่เกิดขึ้นช่าน้อยถอนทิ้งมันจะเปิดเปื่อนสจสิงที่ดีเราวันออกปากก็ห่อไว้บอกต้นต้นห่อไว้เอาโคดพันเหมือนกัโบราณเราเอาพันเอาโคดเข้าพันไม่ต้องหักไม่ต้องเจ็บแต่งตรงไหนที่เทาไหนแมดใดที่ไปได้ไดีด เวลาออกรูปอย่าเก็บเอาโฟมไมพุ่งปกไว้บอกรูปบอกหลานลูกหลานไปเก็บตางเก็บพ้าพกก็เห็นแม่หอปอกข้าพวดอยู่ข้าต้นเห็นใบ ไ, ไมป้ปกต้นลูกแางอยู่ก็จะไม่เก็บไปเก็บว่าลูกอื่นเอามาทำพันในความชานาญของผู้ทำร้อยของสวน โลข้าวจำนานในการปลูกข้าวเวลาเราเก็บเกี่ยวลวงใดที่มีเม็ดส้นๆเม็ดหนาคู่แข็งแก่งยาวกว่าเขาโตกว่าเขาถอดเอาบางทีก็ปอกดยด้วยเม็ดเ้าก ว, ว่าอร่อยดีแตเม็ดเข้าอนั้นเลือกไวเอามาทำเป็นข้าวพันธุ์ต่อไป ก็จะมีมากไปผลจนช่วงนีจำนานนับเม็ดได้ถังง1็เาสาร7 0็ดแสนกว่าเม็ดเกือบ6 0แสนเม็ดเอาเปลือก2 0 0แสนกว่าเม็ดวันไล่หนึ่งประมาณสี่เมด็ดก็จำนานมากขึ้นได้ผลกัาค น, นอื่นที่สูงสีงสูงห้าํำไรก็ต้องมีความจำนานอย่าชื่อชื่อโง่โง เห็นกับตาอยู่เดี๋ยวนี้หมาจิคนความคิดของคนหมดแล้วเลือกข้าวปลูกข้พันไม่เป็นพันพืชไม่เป็นไปซื้อเอานี่แต่ซื้อเอาเด็กหน่อยเขาสงวนธี่กริทเม็ดข้าวเมด็มดเด่งจะต้องซื้อมาปลูกเมด็ดข้าวโพดไฟปอกตรงเดี๋ยวนี้ก็ซื้อแล้ว หลวงพ่อปลูกป่าวัดป่าชกักรโตเปิดที่ไม้ไฟไม้ป่าไถบ่าหญ้าป่าพงทท่งปลูกแตงซื้อแตงมาเป็นพั น, นมาปลูกไม่ได้กินเลยอ๋ยออะไรเพราะขอฤกษ์ศิษมันไม่ดีอ๋อปลูกแตงยไปบอกใครตัวใครเอารถไปขนหนนะแตงร้อยไนระ่ลูกลิ วันตัดซึ้งต้นเหรอปฝักทองก็ไม่ได้กินเท่าทุกวันนีแล้วก็ก็ปลกไม่ได้กมูกนี่ก็ไม่ขึ้นเลยเอนรตฉมือปก้อยกข้าวก็เช่นกันผันอ้อยหมูันตัดัน้อยกวหมูเลยตัดเป็นมัดแมัดตานกม้าเป็นผันปลูก ไมเลอกต้นใหญ่ๆสูงๆปองปองห่างๆปองห่างๆเลือกรต้นว่าแต่เป็นต้อนน้อยโป่งลงไเลยโหยสุดได้หน่อปีเดียวได้ตอปีเดียวตัดได้ไปที่สองไม่ได้แล้วอดเจอปฏิบัตามก็เช่นกันอะไรที่มันเกิดขึ้นกับเราที่มันไม่ดีจำหน้าตามไว้ อะไรที่มันได้จามาตาไว้เลือกได้ปะนี่เลือกสนุกเลือกพระพุทธเจ้าปฏิบัติธรรมเลือกประทงไ ม, าาม่ยอมประทงไม่สารเบื้องต้นเห็นตัวเองชัดเจนเปรียบเทียบกับเหมือนไม่ไคแค่นะ้าเอาหมาสีไฟไม่เอามาเกิด ไม่เผยยกขึ้นเหมาจากน้ำแล้วยังไม่แห้งมาสีไฟไม่เกิดจนไม่เผยที่ยกออกมาขึ้นจากน้ำแล้วแห้งแล้วสีไฟย่อมเกิดเปรียบเทียบกับพระองค์ที่พระกายภาคจิดจังไงกายพระองค์ออกมาอยู่ป่าออกวนแล้วแต่ใจยังอยู่ในพระราชวังคึดถึงสิมบาราหน์ก็เปรียบเทียบว่าถ้ายังคิดอยู่นี้ มันก็เหมือนกับไม่เอาขึ้นน้ำแล้วออกงานแล้วแต่ใจยังชุ่มอยู่กับพิเันหา ย, ยอมสีไฟไม่เกิดฉันใดเ็าบอกก็พลากกินตรงไหที่หนึ่งเรามาชิดไปกลับมาทำน้อยจนที่สุดก็ได้หลักทั้งนั้น น, นี่เอามาใช้กับตัวเองสอนตัวเอง ยกออกมาพากออกมาปลอมรูดถึกตัวรูจากตัวมันจะแห้งมันกับไม้ไผ่ที่มันแห้งกายก็แห้งแล้วตายเวกแล้วนั่งอยู่ในป่าในดงระลับวิเวกแล้วจิตก็ไม่คิดอะไรแล้วอยู่ได้ก่อยกายที่ไหนจิตอยู่ที่นั่นเวลาหมดจิตไปกลับมาไม่ได้ชุ่มอะไรเลยนิดหน่อยกลับมา กลับมาเรียบเรียบรอนไม่ได้ไม่ได้ไไดชีพผิดที่ถูกแกตัวเองมากขึ้นผลที่สดุดแห้งผาเหมือนกับไม้ไผ่ที่แห้งก็เกิดยานขึ้นมาปฐมปยานอุเพนิวะสานุจิตยานแต่ก่อนมันอยู่ที่โน้นตันนี้อยู่ที่นี่ เจ้าตปัจจัญานมีที่อยู่แล้วตั้งงั่นแล้วรู้จักตัวเองให้ไปแล้วก็ไม่ไปอีกวลอยู่ที่นี้มั่นคงแล้วมีที่ตั้งแล้วเมื่อก่อนรู้จักปัจจุบันชีวิตเป็นปัจจุบันตั้งอยู่ด้วยนานรู้จักตัวเองอาสวะขยี้ยานทำอาสวะให้สิ้นไป เป็นลำดับอย่างนี้ทำอะไรก็ชํานาญเรื่องนั้นรู้เรื่องนั่นมากขึ้นอาศัยการกระทำที่ได้ผลที่ได้เฉยกรรมจำแนกหมากรรมจําแนกหมากรรมจำแนกหม า, ำำมาสิ่งที่เปียกทําให้แห้งเิ่งที่หนักทําให้เบาปวดเก่าอดีตเป็นไงปัจจุบันเป็นไงก็รู้จัก สองขาดได้จนถึงอาสวะขยันทาอาสวะให้สิ้นไปง่ายนิดเดียวง่ายนิดเดียวเราจะพาะภาคปฏิบัติท um er uh ี่เราทำเวลาบุหลงกับลูกง่ายนิดเดียวดีกว่าหลงเวลามันโกรธลูกง่ายนิดเดียวดีกว่าความโกรธเวลามันทุกข์ลูกนี่ง่ายนิดเดียวดีกว่าความทุกข์นี่ทําให้สิ้นไปอย่างนี้สิ้นไปอย่างนี้สิ้นไปนี่ หน้าที่ขนส่งขนส่งขนส่งไอ้พ้นไ่้พ้นไอ้พ้นไอ้พ้นหลุดพ้นทุกกรณีที่มันเกิดกับกายกับ ใ, ใจเรานี่มันเป็นอย่างนี้จริงจริงเหราเราปฏิบัติเลือกได้อย่างนี้ทำได้อย่างนี้รู้อย่างนี้จริงจริงทำได้อย่างนี้จริงจริงเวลามันหลงรู้ได้จริงจริงทำได้จริงจริงมาเท่าไหร่ก็จะเปลี่ยนได้ อยากให้มันหลงอยากให้มันทุกข์อยากให้มันโกรธจะได้เปลี่ยนมันโสมนั้นมันมันทำได้จริงจริงรู้จริงจริงความหลงไม่ถูกต้องก็ไม่หลงถูกต้องความทุกข์ไม่ถูกต้องความไม่ทุกข์ถูกต้องที่สุดรู้อย่างนี้จริงจริงไม่ต้องถามใครไม่มีใครถามใครนี่มีหลงมีรู้มีทุกข์มีทุกอย่าง ที่มันไม่ถูกต้องเห็นความไม่ถูกต้องที่กับชีวิตของเราที่เกิดนะทําไมเราทาไม่ได้ทำไม่จะไม่มาบอกกันมันก็เรู่จริงๆปฏิบัติได้จริงๆเรื่องนี้จึงนํามาบอกมาสอนนามาพูดมาบอกเราไม่มีวิธีการมีหลักปฏิบัติตาม ไม่ใช่จำอะไรมาเขาว่าไงเดี๋ว่าทำมาจากนี่ทำตามพระเจ้าสอนอย่างนี้รับผึดชอบตาสอนพระเจ้าเชื่อศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าศรัทธาต่อพระธรรมเขารบพระธรรมความหลงไม่เป็นธรรมควมไม่หลงเป็นธรรมคมหลงไม่ลบเขารบคมไม่หลงความลบความไม่ทุก ปฏิบัติอย่างนี้จึงเชื่อเพ ร, ะ ร, รมมาะทำเมตเป็นไปได้จริงปฏิบัติได้จริงเชื่อวิธีปฏิบัติตามลักษณะของพระสงค์ปฏิบัติดีปฏิบัตดิตดีอยู่ที่นี่ไม่หนีไปไหนอยู่ที่นี่ดูเลยากายใอยู่นี่ปฏิบัติตง ตรง ต, ต่อสิ่งที่ไม่ดีรู้ความไม่ดีไม่ถูกต้องความดีความไม่ดีตรงกันตรงกันตรงตรงความดีตรงความดีา ม, ดมาผิดมาต้องถูกมาผิดต้องถูกมาทุกต้องไม่ทุกตรงอย่างนี้ปฏิบัติออกจากทุกพ้นจากความไม่ดีอย่างนี้ปฏิบัติเป็นสถาบันมั่นคงมั่นคงอยู่ในชนะนานี่ ทำได้หรือว่าผู้ปฏิบัติอันเดียวกันพราะพระเจ้าพระปรทร์พระสงฆ์เป็นอันเดียวกันคือธรรมะคือข้อปฏิบัติจึงเป็นคุณธรรมที่เกิดขึ้นที่กายที่จะเรานี่เราก็มีโอกาสแล้วมีกายมีใจมีงานที่ให้ทําอยู่แล้ว เกิดอะไรขึ้นที่กาก็ได้เห็นจะได้เห็ น, จ ะ, หนจะได้เปลี่ยนเป็นความดีเวลามันล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำไรอยู่ยังเหมือนเดิมเลยต่ากว่าเดิมเร็วกว่าเดิมต้องพัฒนาตัวเองเพื่อจะมีคนุณค่าขึ้นมาถ้าเรามีคนุณค่าก็เป็นประโยชน์ต่อลกูกต่อยังต่อธรรมต่อพระชาสนา ยิ่งใหญ่จากคนคนหนึ่งจากมีกายมีใจนี่ยาปล่อยกายปลาอยใจทิ้งมาช่วยกันมาเป็นคนดีมาเป็นคนจุ๋ยโดยชอบร่วมกันจะได้็นสมบัติของโลกเดี๋ยวในโลกขาดคนดีเอารักษาไม่โยงรักษาป่านี้เขามารอบตัด คนไม่ดีคนหนึ่งเกิดขึ้นไหมคนหมืน่นคนสสรคนก็กระทบกระทือนไปมาช่วยกันจับปรัสร้างคุกสร้างตลางตัวบุคคหมายมันก็มาอยู่มันเกิดที่คนนี่ถ้าคนไม่ดูแลตัวเองให้คนอื่นรับผิดชอบมันเป็นไปนไม่ได ต้องนับหนึ่งจากตัวเรานี่ละกล่อนต้นต้นจากตัวเรานี้ตัวไข่เจ้ามันดูแลตัวไข่ตัวมั น, ใ, มนให้ดีๆหลักปฏิบัติเป็นการดูแลกายใจมันจะไปไหนมีเท่านี้มีการวิจัยเท่านี้มีสติเป็นเจ้าของเหยืนันอยู่มันจะไปทางไหนเหยื่มันอยู่ อย่าให้ความหลงมัเป็นเจ้าของอย่าให้ความปวดมันเป็นเจ้าของความหลงตาความดมันเป็นความเถื่อนของกายของใจตัวเอพึ่งไม่ได้ตัวเอก็พึ่งตงไม่ได้ยิ่งเราเป็นสังคมมีครอบมีครัวยิ่งพึ่งกันไม่ได้ไม่มั่นใจต่อกันตอก็ไม่มั่นใจแง่ตอไ ไม่รั่วจะอยู่อย่างไรไม่รว่วจะเป็นอย่างไรแเราก็มีทุกข์เป็นเบืองหน้ามีทุกข์อย่างเอาแล้วเปนผู้มีทุกข์เป็นแม่นาวแต่ผู้มีทุกข์อย่างเอาแล้วต้องมีความเจอะความเปรียบความตา่อเจอะเท่าทุกวันบางกายนี้ก็มาเที่ยงเกิดกันแล้วหายไปมีเล่าดับไปทุก ทำนามทำนุกเถิดกันแล้วกเ็ก เ, เจ็บเจ็บตายไปไม่มีอะไรเป็นของของตนถ้าไม่ฝึกอย่างนี้ก็เสียชาติไปเลยปีเลยชีวิตนะไม่ได้ประโยชน์จากกายจากใจตายใจนี่มันเป็นมรรคเป็นผลเท่าม้าฉมันทำดีได้รักควงมชัว่วด้เป็นมรรคเป็นผล ไอ้ใจเป็นรูปทำน้ํามทำที่เป็นชีวิตของคนนี่มันมีหนักลบมีเป็ดมีสิวกา ร, ารามีจัตุรยฉานเป็นเพพเป็นภูมิได้ไม่มีสมองเสโกศกปกได้ไม่เหมือนสัตว์ุรยฉานจัตุรย์ฉันมันก็เป็นสัตว์อยู่แล้วมันมีสมองอะไรซิจจับมีดจะบปืนเนขียนฆ่ากัน กยายามกระกันแั้ก็หาชิ้นทำธรรมดาแต่คนนี้มีสมองทำลายโลกได้แต่นี้สมองของคนสร้างลูกระเบิดลูกนังเป็นร้อยล้อยล้านบาทเจาะของจืดได้สิบเมตรเอาไวาทำลายกันดาวุฒเซมีอาทดาวุ ธ, ว ธ, วธนิวเคลีย ลูกหนึ่งวางลงที่เอเชียยางตายหมดเลยสมองของคนคนอื่นนั้นมันลอตายถ้ามันไม่พัฒนาไม่มีธรรมะในแต่ทำที่เฉลน่ฆ่ากันอาจจะหายวายกอดคนมีสมองก็เเปรียบคนที่ไม่มีสมองปัญญาทำได้ แม้แต่การอาช่อทุกวันนี้เรามาค่อยสมองของตัวเองคนมีสมองเป็นเครื่องมือเราเป็นเครื่องมือของเขาทำไมคนเป็นนี่เป็นสิงเอาความม่มีให้เหติติเอาความเป็นนี่ให้เยียสังคมมีสมองของคนแแต่รัฐ บ, บ, บาลเนี่ย ที่เราว่าเลือกตั้งเป็นตัวแทนของเราไปก็ทำอะไรเราจต้องอาศัยใครเหรอเรื่องนี้จะพะทำอยู่ทงกินเนี่ยต้องไปตึ่งใครเดี๋ยวนี้เราไม่มีอะไรที่เป็นปัญญาของเราเลยทำอยู่ทำกินใช่เพื่อนเดินใช้วัตัวจิงของก็ไม่มีแนละ้ว รอบตัวเรานี่เราทำอะไรเป็นบ้างอาศัยอะไรที่ทำใช่บ้างทำไม่มีเลยรอบตัวมีแต่ซื้อพวกปูกไม่ไ๋าเป็นพันๆกอบอกคนมีอายุ60ปีมาตัดไปใช้ได้60ปีผู้หญิงก็ตัดไปใช้ได้ไม่ใช่เอาไปขายเอาไปใช้งาน ไปขายหกปีไปตัดเอามาชายสารจักสารหักจกรรมบ่กไปขายวันนี้ไปมาาาักจักรรมว่าจะหาซื้อของข้าวมาแกะแถวบ้านกระตีบข้าวอันหนึ่งเป็นร้อยของใช้ของสอยทำไม่เป็นเลยมีแต่ซื่อเอา ก็สารไม่เป็นมาเหรียงกับหลวงตาเนี่ยกระติบข้าวนะกะตากาวงลอยไม่ไพทุกแบบทำได้เป็นเป็นเอาหมายใช่ได้สารคุ้ถังใช่ก็ได้วงกต่กาเดี๋ยวนี้เราทำอะไรไม่เต้นไม่เป็ น, ปนแต่ก่อนในคริสต์มาณโปกผ้ายโปก ของชัยมา่อยทอผ้าใช่เองผ้าฝ้ายอมควมสวมสสยตากเดดเกี่ยวข้าวความกับฝ้กับแสงเดดกับเนื้อหนังของคนกับเนือส่เือฝยอมคามนุ่งเกี่ยวข้าวแลว่างแสงเดดกับ ผ้าพอายกพร้อมกับหนังกลายเป็นยาแข็งแรงแข็งขันอัทั้งวันก็ไม่ร้อนเย็นเดี๋ยวนี้ผ้าอะไรที่มันเป็นของใช้นุ่งแก่แดดไม่เนื้อไม่หนังแห้งเตรียมไปเลยร้อนหมดเหล่าคนหลหมดหมอดกของคนทำอะไรไม่เป็นเหล่า หลวงพ่อนเรื่องไห i ก็ไม่เป็นอเสียเลยก็ซื้อเอาซื้อเอาซื้อเอาเกิดจครามเราไม่มีอะไรตอกันเลยพึ่งคาใช่ทำมได้แล้วออมาเป็นลงนข้างเหมือนสมัยก่อนสมน่งง ม, ม่เป็นยทนไม่เป็นมซื้อเอาสมจุยทำจีนสมเชิญสมั้น ถมันมีผื้มือบ่าทางกายนอกกายในปัจจัยทั่งอาศัยถ้ามีแก่นแท้ของจิตชีวิตดีๆตัวมันก็เป็นไปเองมันจะเป็นความวงจรสมดูลทุกรูปแบบสองคมก็จะได้เศรษฐกิจก็จะได้สุขภาพก็จะได้จิตวิญญาณเป็นใหญ่ ฝึกหัดตีจิตวิญญาณเวิญญ่ณทำดีทุกลูกเแดบบแล้วก็มาใช่เราคนเดียวเราเริสังความอยู่ครอบอยู่ครัยควยิ่งเป็นประโยชน์มาอยติดกันไปพ่อแม่เป็นคนดีเป็นพ่อพี่แม่พี่ลูกก็จะเป็นคนดีเดี๋ยวนี้มีแต่กาอันตลาย ยาบ้ายาหมหาเผยแพผ่เข้าสู่ชีวิตของคนเยาวชนของชาติไทยเตยือนร้อนเทวเทิดเป็นไฟอย่า ง, งยิ่งใหญ่นั่นจึงหลอกกอย่างที่มันเป็นพิษเป็นภัยตคนวางคนก็ไม่ได้ชดเลยเขาจะให้คนติดยาเสพติดถ้าคนติดยาเสพติดเราก็ถือว่าเขาสําเร็จสงทรอม ปิดรอเสร็ปิดบอกให้จูบุดีก็เลิกไม <ina> lo ่ได้ฮ่าฮอะอ่ะอันนั่ยอ่ะแค่นี้ก็ยอมเราเอาเถียงเราละคนหนึ่งนะเราพ่อนี่แม่นี่เราคนหนึ่งจะต้องทำดีคิดอย่างนี้มั่นใจอย่างนี้สองสารพ่อแม่ทำช่วไม่ได้ จริงๆไงนะเคยทำผิดทำพลาดเนี่ยโอ้ยมันซึ่งใจทำไหนก็ไ ม, ม่อิ่มทำความดีนี่ยมันแก่มาท่อง่ายถ้าเกินขอทําความดีนี่ยมันทำผิดทำพลาดมาทิ้งลูกทิ้งเนี่ยมาทิ้งงานทิ้งงานมาแต่มาเล่นเล่ น, ลนอยู่ไม่ได้ขอทําความดีนี่นี่เป็นสินสังคม น, นีประเทศชาติมากที่สุด อ น, นี้ยาโยมขอช่วยเราสามี้ี่ภพสี่ชาติชาจะบวดขอบวชเป็นพระแต่ น, นี่ขอทำความดีจะดวก่อญากิโยมปล่อยได้ทุกของทุกอย่งทำความดีไม่มีอะไรเป็นของตนทำทิ้งไปทำทิ้งไปให้ไปจัมบัดของโลกโอกาสของคืวิตของคนเราเน่เลือกได้ที่เนี่ย มีพฤติกรรมมีธรรมะในมีประเปนีนี่ก็วันนี้ก็จะเป็นวนออกท้ำสาปวารณาปาวารณาก็คือสัญญาใจกันเอาไปใช้ในครอบครัวก็ดีสูงในต้องป่าวารณานักบวชต้องป่าวารณาต่อกันเราอยู่ร่วมกันมาอะไรที่มาไม่ดี ถ้าขอโทษขอภายกันไอ้ชี่โทษบอกกันได้ต่อไปนี้เราจะมาได้อยู่ด้วยกันเราจะไปกันโลกหนอนหน้าแหงเมื่อปไปอยู่แหงหนอนตมบนใดก็อย่าที่ยงกันได้ยิงขาวว่าไม่ดีก็โทรศัพท์ไปด่าไปว่าก็ได้ถืว่าได้บอกกันแล้วเวลาบอกเวลาสอนก็อย่ากโกรธกันได้ปรับหวานหนาต่อกันแล้วโกรธไม่ได้ ถ้าขี้โทษใครขี่โทษเราถ้าใครขี่โทษเราบอกเรานั่ยผู้นั้นแหละเพื่อผู้ขี้รักเราผู้ขี่ข่มช่นเรามีแต่ความดีถ้าใครยกย่องเราก็ไม่ค่อยจะดีแหนวจองเอาไปใช้บ้างก็นั่งคุยกันเอิอน้นเรียกลูกเรียกหลานมานั่งมีแต่พ่อแต่แม่เท่านี้ถมีลูกเท่านี้จะดีจะช่วยชีเรานี่ช่วยกันเถอะ เอ้มีความปิดพลาดอะไรก็บอกกันให้ช่วยกันเป็นตาเป็นหูช่วยกันเป็นงือเป็นแฉนช่วยกันบอกกันได้นะว่ากันได้นะอย่ากโกงกันนะเวลาบอกเวลาสนอนพ่อแม่ก็บอกขัญญากันทุกดีมีจนเพื่อเรานี่แหละช่วยกันปลดลูล่วอยู่โลล่วทำความดี อะไรที่ไม่ดีให้ช่วยกันละบอกกันด้วยอย่าโกรจอเครื่องกาบเวลาบอกก็ทำนาบนี้มันจะดีนะเป็นสัญญาใจกันจะได้มีแนวร่วมเป็นตัวแทนกันเหมือนกับในหูมีตาดูแลกัน จากตาสองตาถ้ามีพ่อมีแม่ผัวเมียมีลูกไปเต่าเป็นหลายตายเป็นหูอีกมีมือมีแขนอีกมีสติปัญญาเ้ื่อยกันลูกมักลากงอกโกขอนขุนจะได้มีความอยู่มีจบวาลนามีประโยชน์ไม่ใช่มาเลกแต่พระสงที่อยู่วัดชาวบ้านด้วย พระสงกับชาวบ้านด้วยไอ้พระด่าชาวบ้านได้ชาวบ้านมาบอกพระได้หลวงพ่อใจนั่นไม่ดีอันนี้ไม่ดีนะหลวงพ่อนะเดี๋ยช่วยกันแจ้งกันพระก็จะบอกชาวบ้านเป็นเหลเลยก็เพราะนั่นไม่ดีไปบอกไปดูระดาอย่าห้างกันให้เหมือนอันเดียวกัน อาคนท่านเป็นคนดีแล้วก็ในความสุกขแต่ท่านเป็นคนชั่วลรในความทุกข์ก็ทุกข์ก็เทือนเราด้วยเพราะนั้นเราก็พึ่งกันทั้งสองฝ่ายบ้านพึ่งวัดวัดพึ่งบ้านนํำพึ่งเหลือเสือพึ่งป่าอยู่ร่วมกันอย่างไรภาวนาศาสนาไปวัฒ ธ, ธรรมไปเป็นอันงามมาอันนี้ก็สําควรใชเวลาสมาทานจริง